มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาสัตตมวักขีหิปภชิตานังขีนาสวะปัญหาที่6 ถามว่าคฤหัตที่ได้พระอรหันต้องบวชถ้าไม่บวชต้องนิพพานถ้าฉะนั้นพระอรหันต์มิร้อนมือราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีบรมกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐตุมเห พ, พระนัทพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้กับโยมว่า โยคี oh หิอรหัตตังปัตโตคฤหัตผู้ใดถ้าสำเร็จแก่พระอรหัตแล้วจะมีคติสองประการคือให้บรรพชาเป็นภิกษุเสียในวันสำเร็จพระอรหัตนั้นหนึ่งถ้าไม่บันพชาก็จะเข้าพานิพานไม่อาจล่วงวันนั้นไปได้หนึ่งนี่แหละโยมจะถามที่ว่าท่านเป็นคฤหัตได้พระอรหัตในวันนั้นก็จะบวชแล แต่ทว่าบางทีจะขัดบาดและจีวรด้วยหาไม่ได้ทันบางทีจะขัดพระอุปชาอาจารย์หาไม่ทันการเพลาวันนั้นครหัสนั้นจะบวชตัวเองได้หรือจะต้องรอให้พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์อื่นมาบวชให้หรือจะบรินิพานเป็นประการใดพระนาคเกสนแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารชื่อว่าท่านผู้เป็นครหัต ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วจะบรรพชาเอาเองหาอุปชาอาจารย์ไม่ได้สยังปรับพชันโตเมื่อบรรพชาเอาเองเช่นนั้นไซเถอยังอาปัจเฉยยะก็จะถึงซึ่งไถยาเพศข้อหนึ่งที่ว่าจะคอยพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ก็ดีถ้ว่าล่วงวันไปก็จะสิ้นอายุลูกแก่พระนิพพานสิ้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการว่า อันเตนาขเสนาฆ่าแต่พระนาเกษตผู้ปรีชาญานถ้ากระนั้นภูมิพระอรหันต์มิร้อนนักหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาเกษตถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารพระอรหันตจะร้อนหามิได้ภูมิคฤหัสถ์ต่ําไม่ควรที่จะทรงภูมิพระอรหันตอันบริสุทธิ์อันหนึ่งโสดเปรียบเหมือนโภชนะ อายุบาลกังอันจะรักษาอายุสัตว์ชีวิตตะรักขกังเป็นของเลี้ยงชีวิตเมื่อเตโชธาตในกายสัตว์สำหรับที่จะเผาอาหารในลำไส้ให้ย่อยยับวิกลอ่อนไปสัตว์บริโภคอาหารภูชนะเข้าไปตกลงถึงลำไส้แล้วเตโชธาตไม่อาจเผาอาหารให้ย่อยยับไปได้สัตว์ที่บริโภคนั้นก็ถึงซึ่งชีวิตตักใสกระทำกาและกิริยาตาย จะเหมา ว, ว่าภูชนะกินตายหรืออติทุพภลตาเหตุทั้งนี้เพราะเตโชธาตุทุพพลภาพอ่อนไปฉันใดดูราณะบพิษพระอรหัดเล่าเมื่อครือหัดไม่ได้บรรพชาเสียในวันนั้นก็จะเข้าพระนิพพานขีหิทุพภลตายะด้วยภูมิครือหัดทุพพลภาพจะเหมา ว, ว่าพระอรหัดจะร้อนกระไรได้อุปมาเหมือนบุคคลบริภโภคโภชนะ เตโชาธาต์ออนเผาไม่ได้ไม่ควรจะเหมาเอาภูชนะว่ากินตายฉะนั้นมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดังกรมญ้าอนน้อยบุคคลปักไว้ที่ผูมีภาคแผ่นดินยังมีบุคคลผู้หนึ่งเอาศิลาใหญ่มาทับลงกัมญ้าน้อยมิอาจทรงศิลาใหญ่มิอาจทานศิลาใหญ่ไว้ได้ย่อมจะบี้แบนย่อยยะไปยะถา มีขรุวนาฉันใดพระอรหัต ส, สิสมควรจะส่งได้แต่ภูมิบรรพชาเป็นภูมิใหญ่ภูมิคฤหัตต่ำมิอาจส่งได้อุปมาเหมือนกรรมญาตินั้นอีกประการหนึ่งดุราณะบพิธพระราชสมภารถ้ามิฉนั้นเปรียบดุดบุรุษอันเป็นหินชาติต่ำโคตรต่ำวงพงพันต่ำตระกูลปริตตปุญโย มีบุญอั น, น้อยถอยทั้งสติปัญญาคร้นราชสมบัติมาถึงเข้าได้เป็นเจ้าจอมกษัตริย์สเสวยราชสมบัติก็มิอาจสเสวยได้นานมักจะต้องประหารถึงแก่กาและกิริยาด้วยเหตุว่าบุญนั้นน้อยชาติต่ำไม่สมควรที่จะทรงความเป็นใหญ่ไว้ได้ชั้นใดก็ดีเพศภูมิคฤหัสนี้ต่ำช้ามิอาจสามารถที่ว่า จะทรงไว้ซึ่งพระอรหัตได้นานปานดุดบุรุษหินชาติมิอาจสเสวยราชสมบัติบวรสเสวตชนนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงฟังพระน้าเกษนวิสัชนาชนี้ก็ชื่นชมปรีดาสาธุกการสรรเสริญพระน้าเกษนต่างๆในการบัตรนั้นขี่หิปับพชิตานังขีนาสวะปัญหาเป็นคารบหกจบเพียงนี้